ว่าในเรื่องอัฏฐะคือประโยชน์สามอย่างหนึ่งทิฏฐธรรมิกัฏถะแปลว่าประโยชน์ในภพนี้สองสังปรายิกัฏถะแปลว่าประโยชน์ในภพหน้าสามปรมาฏฐะแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งประการแรกขอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้ทำความเข้าใจกับคำว่าอัฏถะคือประโยชน์เสียก่อนคำว่าประโยชน์ในที่นี้ได้แก่ผลที่ดีซึ่งบุคคลประกอบขึ้นจากเหตุผลจะมีได้ก็เพราะเหตุมีมาก่อนในที่นี้ท่านจำแนกไว้สามคือหนึ่งทิฏฐ ธ, ธรรมิกัฏถะไม้เอามนุษย์สมบัติมีแก้วแหวนเงินทองในยศจักเป็นต้น อันมนุษย์จะพึงได้ในปัจจุบันชาตินี้ท่านจำแนกเหตุแห่งประโยชน์อันบุคคลจะพึงได้รับผลในปัจจุบันในภพนี้ไว้สี่ประการพอ่นหนึ่งอุตฐานะสำปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบกิจการงานเครื่องเลี้ยงชีพก็ดีในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดี อย่างนี้แหละเรียกว่าอถึงพร้อมด้วยความมันท่านลองนึกดูสิว่าคนเราทุกคนที่เกิดมานี้ถ้าหากว่าไม่มีความขยันหมั่นเพียรการดําเนินชีวิตนั้นจะไม่ประสบะสมประสงค์จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนจะมีแต่ความอุปสรรคขัดข้องนาน า, นาประการ แต่ว่าถ้าคนเรามีความขยันเป็นเบื้องแรกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเราแน่นอนที่สุดความขยันก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าคนขยันนะ่เป็นคนที่แกล้วกล้าเป็นคนที่องอาจเป็นคนที่ไม่หวั่นกลัวต่อความเหนื่อยยากลำบากฉะนั้นทรัพย์ในดินสินในนา้าย่อมจะหลั่งไหลามาอยู่กับคนที่มีความขยัน และวิชาความรู้ต่างๆก็ย่อมจะลังไหลมาสู่กับคนที่ขยันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าอุท ธ, ธาตาวินทตเตธนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ตรงกันข้ามคนเกียจค้ามทรัพย์ก็ไม่มีนะทรัพย์จะมาแต่ที่ไหนบุญกุศลก็มาอยู่กับผู้นั้นไม่ได้แต่คนเราถ้าขยันในการ ประกอบอาชีพโดยสัมมาชีพโดยสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแน่นอนที่สุดบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นลาบยศสุขสันเสริญก็จะเกิดขึ้นนะยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมจะมีแก่เราขอให้ท่านลองนึกดูเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าไม่ขยันเรียนไม่ขยันศึกษา ไม่ขยันอ่านตำรับตำร า, าไม่ขยันท่องไม่ขยันทำการบ้านแล้วความรู้เราจะมาจากไหนในกิจที่ทำคำที่พูดก็ไม่สาเร็จกิจการงานที่ครูสั่งก็ไม่รู้วล่วงไปได้เราก็มีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนถึงที่สุดก็อาจจะต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนไม่เลือกว่าเราจะเรียนอะไรต้องขยันทั้งนั้นจนกระทั่ง เราจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือว่าเราจะเรียนทางอพระตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกก็ต้องขยันหรือว่าเรียนเป็นมหาป ร, ริญญาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประโยค ก, ก็ต้องมีความขยันจึงจะได้หรือว่าเราจะเรียนอภิธรรมนะตั้งแต่จุลาอภิธรรมตรีอประจนจบอภิธรรมมหาบัณฑิตเราก็ต้องขยันแม้ที่สุดเราจะประกอบ ะจะเจริญคุณธรรมด้วยการจเจริญสมาธิก็ดีจเจริญสมถะวิปัสสนาก็ดีเราจะต้องขยันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ขยันแล้วแน่นอนที่สุดบุญกุศลก็เกิดกับเราไม่ได้สมาธิก็เกิดกับเราไม่ได้เดือนหนึ่งเราจะนั่งสมาธิสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ใจของเรามันก็สงบยากเราจะต้องทำบ่อยๆนะต้องทำบ่อยๆประโยชน์มันจึงจะเกิดขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่เราจะเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อต้องการตัดกิเลส ต, ตายคายกิเลสทิ้งเห็นจริงคือความไม่มีตัวไม่มีตนเราก็จะพ้นจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขคือความสงบความว่างเปล่าที่ได้นามว่านิพพาน เ, าเรียกว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังนิพ นิพพานังประมังสุนญ์ยังนิพพานเป็นของศูนย์นะนิพพานเป็นของศูนย์อันนี้ก็เนื่องมาจากความทยันทางนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพี้ยนฉะนั้นเราจะต้องความเพียมทำความเพียนนะเราจะต้องทําความเพียรประโยชน์ก็จึงจะเกิดขึ้นในปัจจุบันชาตินี้ประการที่สองก็คืออารักขสัมปทา หมายถึงว่าถึงพร้อมด้วยความรักษาคือรักษาทรัพย์ที่สแสวงหามาได้ด้วยความหมั่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตนไม่เสื่อมเสียไปก็ดีอันนี้หมายถึงว่ารักษาสมบัตาให้เรานั้นรู้จักเก็บรู้จักจับใจนะทรัพย์ที่เราหามาได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักจับใจมันอาจจะหมดไปโดยที่ไรประโยชน์ ไม่มีเหตุไม่มีผลเราจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจมีภาษิตบทหนึ่งของนักปราชญ์ท่านได้เขียนไว้ว่ามีเสลิงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือ้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนี่เราจะต้องรู้จัก อะไรควรไม่ควรต้องรู้จักประหยัดไม่ใช่เข้าทำนองที่เขาบอกว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เลี้ยนเตียนกระเป๋าพระไม่มีต้นจี้เขาก็เอาสุดท้ายเข้าตารางนอนสังเตยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเก็บรู้จักจับใจแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็นส่วนๆเราได้มาสิบก็ใช้ห้าได้มาห้าก็ใช้สักสองบาท ได้มาร้อยก็ใช้ห้าสิบอย่างนี้ใช้ได้ไม่ใช่ว่าได้มาสิบใช้สิบห้าได้ห้าสิบใช้หกสิบอย่างนี้ก็ไม่มีเหลือนะอย่างนี้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษในบุญทานการกุศลเหมือนกันเมื่อเราได้ทาบุญทานการกุศลแล้วเราต้องรู้จักรักษาบุญกุศลึ้นเกิดขึ้นอีกที่บอกว่าอาภาวนาประธานก็คือเพียนเพียนสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจ อนุรักษนาประทานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปบุญกุศลเราก็ต้องรักษาอย่าให้มันเสื่อมไปมันหมดได้ mm hmm. คนเราบางคนก็กินบุญเก่านะกินบุญเก่าบางคนก็กินทรัพย์เก่าทรัพย์ที่ mm hmm. เป็นมรดกตกท่อที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้มอบให้มาคนรุ่นหลังไม่ทําคนประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากทรัพย์ที่พ่อแม่มอบให้ เราก็อาจจะใช้ทรัพย์นั้นหมดไปโดยไม่ช้านานผลที่สุดเราก็อาจจะต้องขอทานเขากินหรืออาจจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวอาจจะถึงกับฆ่าตัวตายก็ได้นะฆ่าตัวตายก็ได้ฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องอรู้จักเก็บรู้จักจับใจพอเหมาะพอควรแก่กาลังทรัพย์แก่กาลังครอบครัวสติปัญญาของเราดูให้มันพอเหมาะพอควรกันว่า เราได้มาเท่าไหร่ควรจะใช้เท่าไร่แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆคือเขาให้รู้จักว่าเมื่อเรามีทรัพย์แล้วให้รู้จักแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆส่วนที่หนึ่งก็เอาไว้ใช้หนี้เก่าส่วนที่สองก็เอาไว้ให้เขากู้หนี้ต่อไปในส่วนที่สามเราก็เอาไว้อ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะเอาไว้เลี้ยงเมียอ่าเอาไว้ในยามเจ็บปวดป่วยไข้ส่วนสุดท้ายก็เอาไว้อ่าน เรียกว่าฝังฝังไว้ในพระพุทธศาสนาไอ้คาว่าใช่นี่เก่าก็คือว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาไว้อปรนนิบัติบํารุงพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นเจ้านี่ของเราเราเป็นนี่บุญคุณท่านเมื่อท่านแก่แล้วเราจะต้องชุบเลี้ยงท่านนะให้ความอุปถัมภ์บำรุงท่านก็คือแสดงความกตัญญูต่อท่านนั่นเองคนที่สองก็คือเราต้องเอาทรัพย์นั้นให้เขากู้นี่ก็คือว่าเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไป นะคือลูกเราเมื่อได้กินของเราต่อไปเราก็เป็นเจ้าหนี้ของลูกแล้วลูกก็จะได้ตอบแทนเราเป็นกันทอดทอดกันไปอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอามาใช้จ่ายในยามเจ็บปวดปวด่วยไข้คนเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บปวดปวด่วยไข้เมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครบอกฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าโกชัญญามรณาสุเวว่าใครจะรู้ว่าวัน เราจะตายในวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ฉะนั้นอัจเขวกิจจมาจับบังเราควรรีบทําความเผยดเสียแต่วันนี้นะอย่ามัวไปผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเรานี้จะรุ่งเรืองเมื่อไหร่จะตกอับเมื่อไหรจะดับเมื่อไหรจะตายที่ไหนจะตายด้วยโรคอะไรเราก็ไม่รู้และเราจะนอนตายทอดร่างที่ไหนจะที่บ้านที่ตึกสามชั้นห้าชั้นเก้าชั้น หรือว่าจะตายในรถตายในเรือตายบนเครื่องบินตายในน้ําตายบนบกเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้เลยนี่ไม่มีใครรู้ทางนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ า, เ, าเราไม่รู้หรอกว่าเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้ฉะนั้นอันนี้แหละเราจึงต้องเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาก็คือด้วยการทําบุญสุนทานอันนี้ถือว่าเป็น อาบุญญาณิธิเป็นขุมทรัพย์คือบุญที่จะติดตามตัวเราไปทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะในโลกนี้และในโลกหน้าอันนี้แหละฉะนั้นจึงบอกว่าเราจะต้องรู้จักเก็บรู้จักจับจ่ายนะให้พอเหมาะพอควรประการที่สามก็คือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนดีงามคนเราถ้ามีทรัพย์แล้วแม้ว่าจะขยันหาทรัพย์ก็ดีรักษาทรัพย์ไว้แล้วก็ดี แต่ถ้าหากว่าเราครบเพื่อนไม่ดีทรัพย์นั้นก็อาจจะหมดได้ง่ายนะอาจจะหมดได้ง่ายมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่ได้มอบทรัพย์ให้สี่สิบกดดรากฏดแลวลูกนั้นก็รักษาทรัพย์เป็นอย่างดีนะหวงแหนมากรู้จักตันนีที่เหนียวรู้จักอดรู้จักออกแต่เพราะคบเพื่อนไม่ดีไปคบเพื่อนเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพานัน ปรากฏว่าไม่นานไอ้ทรัพย์สี่สิบโกดนั้นก็หมดไปโดยไม่เหลือหรอผลสุดท้ายก็ต้องขอทานเขากินเห็น mm hmm. <He S 2> ไหมขนาดมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านก็ยังหมดได้ mm hmm. ฉะนั้นเรื่องเพื่อนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญคนโบราณเราจึงบอกว่าคบเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วก็พาตัวอับประราชัยนะฉะนั้นหรือที่บอกว่าหากว่า อ่าคนพา น, นัลเราอย่าคบเลยคบแต่บัณฑิตอพระพุทธองค์จึงจัดไว้ในมงคลละสูตรว่าอาเสวานนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตัมมังว่าการไม่คบคนพาณคบแต่บัณฑิตนะครบแต่บัณฑิ ต, น, ต, น, ตนี่เป็นมงคลอันสูงสุดนี่เห็นไหมเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ ถ้าหากว่าเราครบคนผ่านมันก็เป็นอาวาังมงคลคือไม่เป็นมงคลเลยการครบคนพ่านหรือคบคนชั่วก็เหมือนกับปลาร่าปาราเมื่อเอาใบไม้ไปหอเข้าใบไม้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าเมื่อไปหอบปลารามันก็พลอยเหม็นไปด้วยไอเราเป็นคนดีแต่ไปคบคนชั่วถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นคนชั่วเราก็มีชื่อเสียงชั่วไปด้วยไม่ดีไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราครบบัณฑิตคบคนดี คบคบ ค, บคนอะไรที่บอกว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนดีก็เป็นสีแก่ตนน่ะนี่จะบอกงั้นท่านเราต้องคบคนดีคบคนดีก็คือคบนักราครคบบัณฑิตอบัณฑิตก็เปรียบเหมือนกับของหอมของหอมนี่เอาใบไม้ไปห่อเข้ามันก็ปล่อยให้ใบไม้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีกลิ่นหอมก็ปล่อยหอมไปด้วยคนเราเหมือนกัน ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่เป็นมักปราดไม่เป็นบัณฑิตแต่ว่าไปคบนักศาสตรบัณฑิตคนฉลาดก็ปล่อยให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงดีไปด้วยฉะนั้นเราจึงต้องคบบัณฑิตนะเราจึงต้องคบบัณฑิตคบนักปราดคบคนดีจึงจะช่วยรักษาทรัพย์เราได้คนดีแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนดีสามารถจะช่วยปกปิดความลับของเพื่อนได้คนดีจะออกปากขออะไรก็ช่วยเหลือได้ในยามตกทุกข์ได้ ย, ยากก็ไม่หนี แม้ที่สุดก็เอาชีวิตเข้าแลกได้ตรงกันข้ามคนพาลไม่สามารถจะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เขาคอยแต่จะเอาเปรียดเราอยู่ตลอดเวลาพยายามลงทุนน้อยแต่ว่าเอาประโยชน์ให้มากนะถึงคราวเราตกระตกกระกำลำบากเขาก็บ่ายหน้านี้แต่เขาจะเอาชีวิตเข้าแลกนั้นก็หาได้ไม่ฉะนั้นขอให้เราคบทนดีนะจะทาให้เรานั้นดีไปด้วยประการสุดท้ายสมชีวิ ต, ตา การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะคือไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่เฟื่อเฟือเครืองนักคือหมายถึงว่าเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตตามแก่กําลังทรัพย์ที่เราหามาได้นะเราหาเรามีเงินเดือนสามพันเราก็ต้องใช้ใจ่ายให้พอเหมาะก็ในสามพันเรามีห้าพันก็ใช้ใจ่ายให้พอเหมาะกับห้าพันมันจึงจะอยู่ได้อยู่อย่างมีความสุขด้วยแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะไม่มีความเจริญ นี่เป็นเรื่องของทิฏฐธรรมิกขัตถะก็คือประโยชน์ในภพนี้หรือประโยชน์ในปัจจุบันหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติในทิฏฐธรรมิกขัตถะคือประโยชน์ที่จะต้องเห็นได้ในปัจจุบันนี้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญผู้นั้นก็จะมีแต่ลาภยศสุขสรรเสริญแล้วก็ผู้นั้นจะมีแต่ความร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สมบัติแล้วก็ร่ำรวยไปด้วย ยากมิตรบริวาร น, นี่เป็นเรื่องของทิฏฐธรรมิกัขถะคือประโยชน์ในภพนี้หรือในปัจจุบันใชาตินี้ข้อ 2, สองสัมปลายิกขถะก็คือประโยชน์ในภพหน้าตามว่าประโยชน์ในภพหน้าในที่นี้คือหมายความว่าอ่าเมื่อบุคคลอผู้ หวังจะเอาความสุขทั้งในปัจจุบันชาติหรือในภพนี้เมื่อมาประกอบเหตุเหล่านี้แล้วก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่กําลังของตนแล้วแน่นอนที่สุดเราก็ต้องหวังประโยชน์ที่จะข้างหน้าอีกก็คือสัมปรายิกัตถะหมายเอาผลส่วนดีที่บุคคลจะพึงได้รับในสัมปรายภพก็คือในภพหน้าเมื่อเราแตกตายทําลายขันไปแล้วกล่าวโดยเฉพาะได้แก่มีสุขติโลกสวรรค์สมบัติเต็มที่ไปในเบื้องหน้า เหตุที่บุคคลประกอบเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในสัมป라ยาภบนั้นท่านจำแนกไว้สี่ประการคือหนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อก็คือว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอันนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธองค์ท่านไน้ตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาคนเราถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่าง ตรงกันข้ามถ้าเป็นอาจาะศรัทธาก็ถ้าเป็นจระสรัทธาก็เป็นศรัทธาที่วันไหวเป็นศรัทธาที่คอนแคลนทําอะไรก็ไม่สําเร็จสมประสงค์เขาเรียกว่าเป็นศรัทธาหัวเตาปลุกเข้าปลุกออกหรือเป็นศรัทธาในเรื่องบุคคลในเรื่องวัตถุอย่างที่เขาพูดว่าศรัทธาสัตไทยพอเห็นเขาเป็นใหญ่ก็มีศรัทธาศรัทธาสัตไทยพอเอาลูกไปฝากไว้ก็มีศรัทธาศรัทธาสัตไทยพอเห็นเขาร่ํารวยใหญ่ก็มีศรัทธา อย่างนี้เป็นศรัทธาหลอกหลอกศรัทธาจอมปลอมเอาเป็นศรัทธาหัวเต่าเดี๋ยวพลกเดี๋ยวโผล่เอาแน่นอนไม่ได้มีศรัทธาไม่มั่นคงคนที่มีศรัทธาไม่มั่นคงก็จะไม่ได้รับความสุขที่มั่นคงฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีศรัทธามั่นคงตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือหนึ่งกรรมวศรัทธาเชื่อการกระทำเชื่อว่าคนจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อะไร ที่สองวิปากสัต tha เชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทุกคนทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้รับความชั่วอันนี้เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาที่สามกังมสกตาสัต t h เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอสัตว์ทั้งหลายนั้นมีมีกรรมเป็นทายาทหรือเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้อง เราทำกรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าการทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เป็นการพูดไม่ถูกเป็นการตูประพุทธพจน์เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆแล้วเราควรจะพูดว่าการทำดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทำความดีไว้ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่เห็นไหม ฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมีศรัทธามั่นคงตามหลักพระพุทธศาสนาคนที่มีศรัทธาก็ถือว่าเท่ากับว่าเป็นสิ่งที่จูงใจที่จะชักนำให้ผู้นั้นไปสู่คุณงามความดีต่างๆบุญกุศลต่างๆก็ย่อมหลั่งไหลมาสู่บุคคลผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่คลอนแคลนคือไม่ถือเอาบญ น, นอกเขตศาสนาและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำด้วยศรัทธาเอาความเชื่อ เอาเหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่อันนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแปลการที่สองก็คือศีลศรัทธาความประทานตัวศีลและสัมปาทปาอ่าถึงพร้อมด้วยศีลอคําว่าถึงพร้อมด้วยศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอไม่มีโทษศีลนี่เป็นเครื่องรักษากายกับวาจาไม่ถึงใจอันนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายฟังให้ดีศีลรักษาใจไม่ได้ นะเพราะว่าใจคนเราเนี่ยวันวันนึงเนี่ยนึกคิดไปร้อยแปดจากกันคิดในเรื่องคนคิดในเรื่องบาปอกุศลต่างๆเป็นไม่มีอาบัติทางใจแต่ว่ามันเป็นความเศร้าหมองทางใจเช่นว่าโลกอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากสำนองกล้องทำเนี่ยมันเป็นบาปอเผาลอมจิตใจของเราอยู่อฉะนั้นอคําว่าสีในที่นี้อก็แปลได้หลายอย่างจะ แ, แปลว่าเย็นก็ได้นะ คือคนมีศีลเนี่ยเป็นคนมีจิตใจเยือกเย็นอ่าใครเข้าใกล้ก็เย็นใครอยู่ใกล้ก็เย็นใครพูดจาพาธีด้วยก็เย็นอะเป็นคนเย็นกายเย็นใจอ่าศีล น, นี้แปลว่าปกติก็ได้อ่าหมายความว่าธรรมดาปกติพระอาทิตย์นั้นขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ส่งแสงสว่างไปตกทางทิศตะวันตกถ้าหากอย่างนี้เป็นปกติถทวันไหนพระอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศเหนือก็ถือว่าผิดปกติ คนเราเหมือนกันเป็นมนุษย์เกิดมาก็ด้วยบุญที่เราได้ทากรรมได้แต่งมาถ้าเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาฆ่ากันถ้าเราเกิดมาฆ่ากันก็ถือว่าผิดปกติปกติคนเราไม่ได้เกิดมาฆ่ากันคนเราปกติเกิดมาไม่ได้มีการลักขโมยกันเราเกิดมาไม่ได้มุ่งเพื่อจะต้องการผิดประเวณีเราเกิดมาไม่ต้องการที่จะพูดโกหกมดเท็จแต่ถ้าเราเกิดมาเพื่อไป ลักของเขาจกชิงวิ่งราวเขาจี้ปล้นฆ่าตูช่อโกงหรือว่าประพฤติผิดประเวณีฉุดฆ่าอนาจารหรือว่าพูดโกโหกจูงตุราไม่ไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดปกติทั้งงานถือว่าผิดปกติฉะนั้นคนมีศียงก็คือคนที่รักษาปกติทางกายปกติทางวาจาก็คือทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัส ทางใจก็ไม่คิดโลภอยากได้ของเขาทั้งวาจาก็ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นทางจิตใจก็ไม่เห็นผิดจากทานองของทำคือเห็นว่าทําดีต้องได้ดีเห็นว่าทําชั่วต้องได้ชั่วการทําดีทําชั่วนั้นไม่ต้องมีคนเห็นผลก็ย่อมจะได้รับอยู่ทําดีไม่ต้องมีคนยกย่องชมเชยผลที่ตนก็ย่อมได้รับอยู่ทําชั่วก็เหมือนกันไม่ต้องมีคนรู้คนทราบแต่เราก็รู้เราก็เดือดร้อนนี่มันเป็นอย่างนั้นตามหลักความจริง และศีลนี่ก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งศีลเนี่ยมันมาจากคาว่าศิลาศิลาก็ได้แก่ก้อนหินก้อนหินเนี่ยมันเป็นแท่งเทึบมันแน่นมันหนักฉะนั้นคนมีศีลต้องเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นเป็นคนมือหนักก็คือว่าใครทําอะไรก็มือต้องไม่ทําตอบไม่ชกไม่ปล่อยไม่ตีตอบเท้าก็ต้องหนักไม่เตะไม่อะไรเขา อ, อย่างนี้เราเรียกว่ามีใจหนักแน่นเหมือนก้อนหินนะมีใจหนักแน่นเหมือนก้อนหินใจไม่เปลาะใจไม่บาง ใครด่าไม่ด่าตอบใครตีไม่ตีตอบใครรักไม่รักตอบอาอย่างนี้ใช้ได้แล้วก็ศีลนี้ก็มีเป็นสามระดับหนึ่งนิจศีลเรียกว่าเป็นศีลห้าได้แก่ศีลของคนทั่วไปนะศีลของคนทั่วไปที่จะต้องมีศีลห้าอยู่เป็นนิสสองมหาศิลอมาชินมศีลคือศีลอย่างกลางได้แก่อุโบสถศีลแปดหรืออุโบสถศีลศีลของญาติโยมผู้เข้ารักษาอุโบสถศีลหรือศีลสิบศีลของสามเณ สา ม, มาหาศีลได้แก่ศีลของพระพิสุสองร้อยี่ิบเจ็ดข้อและศีลของพิษุณีสามร้อยสิบเอ็ดข้ อ, อนี่เป็นเรื่องของสินฉะนั้นศีลของเราจะดำรงอยู่ได้จะต้องรู้จักวีรัตสามอย่างคือหนึ่งสมาทานวีวรัตเราก็วีรัตด้วยการสมาทานกับพระก็ได้ตอนหน้าทานกับพระพุทธก็ได้หรือว่ากับพระสงฆ์ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้สองสัมปัสสาวีรัต เรางดเว้นในเมื่อประจวบเหตุการณ์เฉพาะหน้าอขึ้นอันนี้เราก็งดเว้นทันทีนะงดเว้นเสียหมดโดนไปเจอสร้อยทองคําเขาหล่นมากลางทางสิบบาทเราก็ตั้งใจว่าจะไม่เอาสร้อยน้ำมาเป็นของตนเราอาจจะหยิบถือเอาประกาศหรือไปมอบให้เจ้าหนะ้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาประกาศหาเจ้าของนี่อย่างนี้เรียกว่าสามปฏิวัติประการที่สามสมดุดเฉตวิทัศน์ก็เป็นศีลของพระอริยเจ้าอันนี้ท่านสมมาทาน ละเว้นอย่างเด็ดขาดนะละเว้นจากเด็ดขาดดังนั้นศีลนี่ก็แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือศีลของคารวาะกับศีลของบรรปะชิตศีลของคารวะก็คือศีลห้าศีลแปดของบรรปะชิตก็ตั้งแต่2องยิบเจ็ดข้อนี่ก็เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของศีสลสัมบัติถึงพร้อมด้วยศีลมาในข้อที่สามก็คือจาระสัมบัาถึงพร้อมด้วยการบริจาคเป็นการเฉลีย่ยความสุขให้กับคนอื่น คนเราถ้าหากว่าไม่รู้จักอบเอื้ออารีช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันโลกนี้ก็จะหาความสันติสุขไม่ได้โลกนี้ก็จะเหมือนกับทะเลทรายโลกนี้ก็จะเต็มไปได้วยความแห้งแล้งฉะนั้นถ้าหากว่าโลกนี้มีการเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกันแจกจ่ายทรัพย์สมบัติกันตามฐานะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยเท่ากับว่าเราเฉลี่ยความสุขให้กับคนอื่นอเอาความสุขแบ่งปันให้กับคนอื่น คนอย่างนี้เห็นประโยชน์ส่วนรวมสําคัญกับประโยชน์ส่วนตนจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญการเสียสละนั้นก็เสียสละวัตถุคือปัจจัยเสีข้าวน้ําเสื้อผ้าอภรรท์ท่านสบายที่อยู่อาศัยยุ่ยารักษาโรคประการที่สองก็คือเสียสละวัตถุหมายถึงอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนามากระทบกระทั่งหิตใจเราก็ต้องสละมันออกไปหรือตัวราคะโทสะโมหะเราก็ต้องสละมันออกไปเราจะมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปรการที่สี่ก็คือปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และนิช่ประโยชน์คนเราถ้าหากว่ามีปัญญาเป็นเบื้องต้นแล้วแน่นอนที่สุดจะประกอบกิจการอะไรก็สำเร็จทุกอย่างคนเราจ ะ, ะเป็นเจ้านาะยใหญ่โตเป็นเจ้ากระทรวงกรมกอ ง, งต่างๆเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องอมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเขาก็ไม่แต่งตั้ง ทุกวันนี้คนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเขาตั้งคนที่มีสติปัญญามีความาสามารถนะมีความแกล้กลาหามีความรอบรู้ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาให้สังคมให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนี่คนมีปัญญาแม้ที่สุดคนจะหมดจดจากกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะได้ก็ต้องมีปัญญาอีกเหมือนกันพระพุทธองค์จึงได้ตัดเลยว่าปัญญายะปริสุทธิ์ติ คนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทั้งสามทางคือหนึ่งสุตตะมยะปัญญาสองอปัญุตะมยปัญญ า, า, ป, ญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองจินตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยนี่เป็นเรื่องของ สัมปรายิกัดถะคือประโยชน์ในภพหน้าที่จริงแล้วเราประพฤติเมื่อใหนเราก็ได้ทั้งไหนภพนี้ด้วยเราก็ได้ทั้งไหนภพหน้าด้วยไม่ใช่ว่าได้เฉพะในภพหน้าอย่างเดียวอันนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบไว้ด้วยประการสุดท้ายคือข้อที่สามปรมัาถะหมายเอาประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้หมายเอาการหมายถึงพระนิพพานนั่นเองก็คือหมายเอาการดับกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปอีก เป็นบรมมาสุขที่ไม่มีทุกข์เจริญผลเหตุที่บุคคลจะได้รับประโยชน์เช่นนี้จะต้องปฏิบัติตาม อ, อัดถังกิกรมากก็คือตามมักประกอบด้วยองแปดไม่ข้องแวะในส่วนที่สุดสองอย่างคือการมัสุขันลิกานุโยคคือทําตัวเองให้ย่อหย่อนตามสบายติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเหล่านี้เป็นต้นและต้องละเว้นจากอัดจักรละมัถฐานุโยคไม่ทําตัวเองให้มันตึงซะจนเกินไปประพฤติอะไรที่มันนอกเรียบนอกรอยมากเกินไปเมื่อเรา เราละสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะได้รับประโยชน์ อ, อย่างยิ่งก็คือประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมไม่มีประโยชน์อื่นใดจะยิ่งไปกว่านี้ก็ได้แก่ตัวนิพพานนั่นเองเอาละการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์สามมาก็พอเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวทุชนทั้งหลายในที่สุดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร วันนี้จะพูดในหมวดที่สามในหัวข้อว่าอธิปไตยสามคืนหนึ่งอัตตาทิปไตยความมีตนเป็นใหญ่สองโลกาทิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่สามธรรมมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ประการแรกขอให้นักเรียนนะักศึกษาได้มาทำความเข้าใจกับคำว่าอธิปไตยนะ คืออธิปไตยะนี้ถ้าพูดอย่างอพวกเราทั่วๆไปในเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าอธิปไตนะอธิปไตยอ่าหรือที่เราเรียกว่าอทุกวันนี้เราจะต้องมีประชาธิปไตยอ่าพูดอย่างเงีคนนั้นไม่มีประชาธิปไตยอะไรเงี้ยหรือว่าประชาธิปไตยเครื่องใบประชาธิปไตยซึ่งเสี้ยวอะไรที่เราพูดกันนะแต่ภาษาจริงๆของพระเขาเรียกว่าอธิปไตยะนะ มันออกระหวังเตยกับไตนี่คนละขึ้นะอธิปไตยะก็แปลว่าความปรารบาเป็นใหญนะ่คือความเป็นใหญ่นั่นเองหมายความว่าบุคคลจะทำอะไรอะไรก็ต้องปรารบสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าดีแล้วจึงทำนะดีแล้วจึงทาอย่างนี้เรียกว่าความเป็นใหญ่คือเป็นใหญ่ในการคิดการที่จะพูดที่เราจะทำกันนะคิดดีแล้วนั่นแหละ จึงเรียกว่าเป็นอธิปไตยะโดยที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นทําไปแล้ววินโยชนรับรองว่าเราทําดีอ่าอย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นอธิปไตยะทีนี้อธิปไตยนี้เขาก็แบ่งออกเป็นสามอย่างเือนหนึ่งอัตตาธิปไตยะหมายเอากิจการที่บุคคลจะพึงกระทําบุคคลเมื่อ จ่กระทาคุณงามความดีย่อมปรารบถึงความสะดวกของผู้อื่นเป็นอิสร ะ, ะย่อมย่อมปรารบถึงความสะดวกสบายของตนเองอของตนเองอเป็นอิสระหรือมุ่งถึงผลอันจะพึงมีแก่ตนเป็นที่ตั้งแล้วจึงกระทาอาจทำลงไปโดยผิดพลาดเพราะปรารบตนและการกระทาตามความเห็นของตนก็ได้ ซึ่งเป็นส่วนบุคคลผู้เดียวไม่มีความเห็นอื่นๆประกอบตามรวมความว่าจะทําอะไรก็นึกถึงตนเป็นใหญ่คนอื่นเขาจะมีความเห็นอย่างไรก็แล้วแต่นี่อย่างนี้เรียกว่าอเรียกว่าอัตตาทิปตะยะนะอัตตาทิปไตะยะคือพูดง่ายๆก็คือว่าถือเอาเอาตัวเองเป็นใหญ่นะข้อนี้หมายถึงว่ากิจการที่บุคคลจะพึงทําพึงเห็นว่า บุคคลจะทำบุญก็ปรารศภาวะของตนเป็นใหญ่ทำโดยมุ่งให้สมภาวะของตนหรือมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งอันตนจะพึงได้หรือมุ่งความสะดวกแข่งตนเป็นที่ตั้งเหมือนกับพูดสั้นๆว่าจะทำอะไรก็นึกถึงตนเป็นใหญ่คนอื่นเขาจะนึกอย่างไรก็ไม่สนใจนเอาตัวเองเป็นใหญ่คือคนประเภทนี้ประเภทคล้ายๆเหมือนว่า ถือดีอวดดีนะถือดีอวดดีไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ทําอะไรก็เอาตัวเองเป็นใหญ่ทั้งนั้นนึกถึงตัวเองเป็นใหญ่นึกถึงญาติของตัวเองนึกถึงอพี่น้องของตัวเองเนี่ยคนต้าคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจรับแคบเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวม ทำอะไรยังเพื่อตัวกูของกูยังเพื่อตัวเราของเราญาติของเร า, า, เราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราอย่างนี้มันก็ไม่เจริญก้าวหน้าสังคมก็ไม่เจริญก้าวหน้าประเทศชาติก็ไม่เจริญก้าวหน้าฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่นะความสุขความเจริญก็จึงจะบังเกิดขึ้นประเทศชาติของเราที่ไม่เจริญก็เพราะคน แต่ละคนอยากเป็นใหญ่นะอยากเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นใหญ่แสดงความคิดเห็นเป็นใหญ่ผู้จาก็เอาตัวเองเป็นใหญ่จะทำอะไรก็ยังว่าแหละจะต้องเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมมีชื่อมีบทบาทอา่เขียนชื่อติดโน่นติดนี่ออย่างนี้ถือว่าอัตตาทิปตะยะนะเป็นอัตตาทิปตะยะเอาตัวเองเป็นใหญ่ประการที่สองโลกาทิปตยะ หมายเอากิจการที่บุคคลจะพึงกระทำเช่นเช่นเดียวเช่นเช่นบุคคลจะทำบุญกุศลเป็นต้นก่อนจะทำหรือว่ากำลังปรารบก่อนจะทำหรือว่ากำลังทำก็ปรารบโลกเป็นใหญ่คือทำตามความนิยมของโลกคั้นจะไม่ทำก็กลัวโลกเขาจะอาติชินินทาหรือทำตามเห็นชอบของชนหมู่มาก ส่วนการทำลงไปนั้นจะถูกหรือผิดไม่ต้องคำนึงถึงการปรารบโรคเป็นใหญ่นี้อาถึงจะไม่เป็นธรรมถึงจะไม่เป็นธรรม ท, ทีเดียวก็ยังจัดว่าดีกว่าอัตตาธิปเตยยะคือดีกว่าปรารบภาวะของตนเหมือนกับอัตตาธิปเตยยะนั่นเองเพราะความเห็นเพราะาความเห็นของมหาชนย่อมมีถูกมากกว่าความเห็นของเอกชน เป็นธรรมดาฉะนั้นคำว่าโลกาที่ประจัยนี้ถ้าผู้ทยถูกต้องก็ได้แก่ตัวประชาธิปไตยคือเอาประชาชนเป็นใหญ่เอาประชาชนเป็นใหญ่เรียกว่าเราปกครองประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยผู้หมายถึงว่าประชาธิปไตยนั้นเราจะต้องปกครองประชาชน ด้วยประชาชนเพื่อประชาชนนี่คือเอาความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศนี่เป็นใหญ่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยไปร่างกฎหมายเอาความคิดเห็นของตนไปปกครองประชาชนทั้งประเทศอันนี้ไม่ได้รับความยุติ ธ, ธรรมอันนี้มีแต่ทางเสียเปรียบอันนี้มีแต่ทางเดือดร้อนเป็นการร่างกฎหมายมาเพื่อตัวเองฉะนั้นกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนั้น ถ้าเราทําอย่างถูกต้องมีเหตุมีผลเป็นกลางๆอันนี้มันก็เป็นประชาธิปไตยนะคือเอาเอาเอาชนส่วนมากเป็นใหญ่หรือว่าเป็นโลกาธิปไตยเอาชาวโลกก็คือคนส่วนมากนั่นเองพระพุทธองค์ได้บัญญัติพระวิ น, นัยก็คือบัญญัติจงเสีลขึ้นมานั้นไม่เคยบัญญัติก่อนไม่เคยบัญญัติ ด, ดัดหน้าเาว่าพระพิกสุจะทําอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะไม่เคยบัญญัติอย่างนั้นเลย หากแต่ว่าที่พระพุทธองค์บัญญัตินั้นล้วนแต่มีเหตุเกิดขึ้นทางนั้นเมื่อเหตุเกิดเกิ ด, เ ก, ด, เ, กดเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็จึงได้ประชุมสม่งแล้วประชุมส่งก็ชี้แ จ, แจงไปว่าทำอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ไม่ดีออย่างนี้ไม่ถูกแล้วก็มาสรุปว่าตั้งแต่ต่อไปนี้ไปพิสุทังหลายอย่าทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะปรับ อ า, อามบัตตับความผิดตามโทษานุโทษตามโทษน้อยโทษใหญ่โทษมากก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่วัตถุแล้วแต่เหตุการณ์นี่ฉะนั้นแสดงว่าพระองค์นี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงประชาธิปไตยอย่างเดียวพระองค์เป็นธรรมาธิปไตยด้วยนะอ่าฉะนั้นพระฉะนั้นการที่ เ, เราปกครองประเทศชาติถึงแม้ว่าหากว่าจะไม่เป็นธรรมมาธิปไตยได้ประชาธิปไตยก็ดีแล้วนะดีมากเพราะว่า กัชชาธิปไตยเนี่ยชือเอาชนหมู่มากเป็นใหญ่ข้อนี้หมายเอากิจการที่บุคคลจะพึงทำนะพึงเห็นเช่นบุคคลทําบุญก็ด้วยมุ่งหวังที่จะให้ผู้อื่นเขาสรรเสริญ น, นะให้เขาสรรเสริญหรื อ, อไม่ทําก็เกรงเขาจะติจินนินทาหรือว่าทําตามความนิยมอของเขาเช่นเห็นเขาทําก็ทําบ้างนะเข้าลักษณะที่เรียกว่าเถนสองบาทนะเถนสองบาท ประเภทนี้บางครั้งมันก็แย่เหมือนกันนะแย่เหมือนกันฉะนั้นก็คนที่มาเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยกันทุกวันเนี่ยไม่ต่างกับเมืองไหนตะวันออกตะวันตกยุโรปอเมริกาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่บางครั้งไอ้คนที่เรียกร้องอหาประชาธิปไต่ะตัวเองไม่มีประชาธิปไตยสักนิดหน่อยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยแต่ก็ไปเรียกร้องเขาเรียกว่าทําอะไรต่างๆเขานะ ทำอะไรตามๆเขาไม่รู้หรอกว่ามันดีมันช่วยอย่างไรฉะนั้นถ้าว่าเราจะทําอะไรเนี่ย<ม>เราทําโดยว่าเอาเสียงส่วนใหญ่มาเป็นประมาณมาโดยเข้าที่ประชุมกันเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นประมาณอย่างนี้ยุติธรรมนะยิงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องโดยสมบูรณ์แต่ก็เอาคนหมู่มากฉะนั้นพวกเราจึงมีการโหวตเสียงกันมีการออกเสียงกันในที่ประชุมให้ยกมือกันบ้างเอาผู้ที่ ข้างมากนั้นเป็นฝ่ายชนะนะเป็นฝ่ายชนะอนี่จึงจะเรียกว่ายุติธรรมเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าตัวเองจะต้องบังคับคนนั้นต้องยกมือให้กับข้าพเจ้านะทำไมยกแล้วก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอัตราที่ตัดใจนะไม่เจริญไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็โลกนี้ก็เจริญทุกประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยเจริญมากแต่ประเทศไหนถ้าปกครองด้วยอำนาจเผด็จการ ประเทศนั้นจะไม่เจริญดันั้นขอใหอ้พวกนักเรียนนักศึกษาและท่านชาธทุกชนตั้งหลายจงันหนักไว้เลยว่าโลกาธิพยไต่ก็คือว่าการหมายถึงว่าการปกครองโดยการปกครองประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนคือปกครองเพื่อให้ประชาชน เอาความคิดเห็นของประชาชนนั่นแหละมาเป็นกฎหมายคุ้มครองประชาชนเพื่อความผาสุกความสวัสดีของประชาชนนี่ของประชาชนถ้าหากว่าที่ใดหมู่ใดครอบครัวใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดประเทศใดปกครองอย่างนี้ตั้งแต่ครอบครัวนั้นอำเภอตเภอนั้น จังหวัดนั้นประเทศนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวจะไม่มีความเสื่อมเลยนะไม่มีความเสื่อมเลยนี่เกี่ยวกับเรื่องของอประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยนะแรลการที่สามก็คือธรรมมาธิปไตยธรรมาธิปไ ต, ย, รรปตยหมายเอากิจการที่บุคคลจะพึงกระทำะเช่นกระทำเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ถือเอาทาเป็นใหญ่นะถือเอาทาเป็นใหญ่ส่วนผู้ที่ทําความดีไม่ปราบตน อ, อย่างนี้แหละชื่อว่าเราเอาทาเป็นใหญ่การที่เราเอาทําเป็นใหญ่นี้ถือว่ายุติธรรมแล้วก็ถูกต้องคือทําตามความนิยมของทาเป็นที่ตั้งเห็นว่าถูกว่าควรแล้วก็ทำด้วยอำนาจเมตตากรุณาทําอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราทาอย่างทาอย่างทำมาทิปใจนะคือทาโดยทา นะทำโดยทำคือทำอย่างมีเหตุมีผลนะทำอย่างมีเหตุมีผลอย่างนี้ใช้ไดนะ้เมื่อเห็นว่าไม่ผิดตามตำนองคลองทำแล้วก็ทำลงไปนะทาลงไปอย่างนี้ถือว่าเราทำถูกเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นธรรมมาทิปไตยที่ว่ามีทำเป็นใหญ่ก็พึงเห็นว่าความรู้ที่บุคคลจะเพึงทำเช่นนั้นโดยถือเอาทำเป็นใหญ่ พิ่งเห็นเป็นความรู้นะพึ่งเห็นเป็นความรู้ทําโดยไม่ได้มุ่งถึงตนหรือว่ามุ่งโลกเป็นใหญ่มุ่งประชาชนเป็นใหญ่เป็นแต่เห็นว่าสมควรหรือว่าถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่อย่างไรแล้วทําไปนั้นต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาถ้าเราทาอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราทําด้วยธรรมาทิปไตยปกครองด้วยธรรมาทิปไตยฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นก็ปกครอง ทบทั้งสามทั้งอัตตาทิปไตยประโลกาทิปไตยธรรมาทิปไตยนี่แล้วขึ้นอยู่กับแต่กรณีแต่เหตุการณ์ฉะนั้นพวกเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นใหญ่ในตัวเองเราก็ต้องทำตัวเองให้เป็นธรรมาทิปไตยคือเป็นใหญ่โดยธรรมเอาธรรมเป็นใหญ่เอาความจริงเอาความถูกต้องเป็นใหญ่อย่างนี้ใช้ได้นะถึงแม้จะไม่ถูกใจคนอื่นจะผิดใจคนอื่น มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําถูกต้องตามธรรมตามสภาวะธรรมนี่ข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแต่พวกเราบางทีไม่ค่อยคานึงถึงกันไม่ได้คิดกัน อ, อันนี้แหละมันจึงเกิดการผิดพลาดจึงเกิดมีการเอารับเอาเปรียบ ก, กันมันก็ไม่เลยไม่เป็นประชาธิปไตยนะนอกจากจะเป็นอัตตาธิปไตยเสียมากกว่านะฉะนั้นรวม ความแล้วว่าอธิปไตยทั้งสามข้อนี้อัตราธิปไตยก็ดีโลกาธิปไตยก็ดีจัดเป็นโลกบางคราวก็ได้รับผลดีนะอันนี้เรียกว่าจัดเป็นเป็นเป็นใหญ่ในทางโลกนะบางคราวก็ได้รับผลดีบางคราวก็ได้รับผลไม่ดีเป็นการเสี่ยงดีเสี่ยงชั่วอยู่ส่วนธรรมมาธิปไตยนั้นจัดเป็นฝ่ายดีแท้ๆเป็นธรรมที่ดีแท้ๆ บุคคลผู้ถือทำเป็นใหญ่ย่อมทําอะไรไม่มีอย่อมทําอะไรก็มีแต่ถูกนจะไม่มีความผิดแต่ถ้าคนทําแบบอัตตาธิปไต่ก็ดีอโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยก็ดีแน่นอนที่สุดอันนี้ก็ย่อมจะมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีทั้งดีทั้งชั่วควบคู่กันไปก็นี่ก็เป็นเรื่องของอธิปไตยสามทีนี้ถ้ า, ากว่าจะมีออธิมีคําถามว่า ผู้ที่ประพฤติตั้งอยู่ในยุติธรรมไม่ลำเอียงด้วยอคติสีจัดเข้าในอธิปไตยข้อไหนได้หรือไม่อันนี้ก็ตอบได้เลยว่าผู้ประพฤติตนตั้งอยู่ในความยุติธรรมเช่นนั้นจัดเข้าในอธิปไตยข้อสามคือธรรมาธิปไตยตรารกธรรมเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งอธิปไตยทั้งสามหมายเอาเอาอะไรต่างกันที่ตรงไหนจงแสดงอ่าอันนี้เราหมายถึงดูเจตนา ดูเจตนาว่าเราเอาว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่หรือว่าเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่หรือว่าเอาความจริงความถูกต้องเป็นใหญ่ส่วนอัตตาธิปไตยนั้นเอาตัวเองเป็นใหญ่ตารบตัวเองเป็นใหญ่ตารบญาติพี่น้องของตัวเองเป็นใหญ่แต่ส่วนโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยนั้นเอาประชาชนเป็นใหญ่นะเอาชาวโลกเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ส่วนธรรมาธิปไตยะนั้น อันนี้เอาความจริงเอาความถูกต้องนะเอาความจริงเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกิใจคนนะจะไม่พอใจคนแต่ก็เอาความจริงเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นะอย่างนี้ประโยชน์ก็เกิดขึ้นนะัะนั้นธรรมมาทิปไตยจึงจัดเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเพราะการทำอะไรทั้งหมดเมื่อผู้ทำมุ่งหวงังความถูกต้องตาเป็นธรรมเป็นใหญ่แล้วย่อมให้ผลดีทั้งแก่ตนและแก่บุคคลส่วนรวม การทำอะไรทั้งหมดถ้าไม่อิงหลักธรรมเป็นใหญ่แล้วก็จะมีผลคือความเสียหายมากเพราะการทำนั้นไม่บริบูรณ์ด้วยเหตุผลคือความถูกต้องนั่นเองอันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องของอธิธปไตยนะอธิธปไตยยัสามก็พอเป็นแนวทางย่อๆก็จะได้พูดต่อไปอีกข้อหนึ่งเลยก็คืออนุตริยสามนะอนุตริยสามก็มี อันหนึ่งทัศนานุตริยะคือความเห็นอันยอดเยี่ยมสองปฏิปทานุตริยะความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมสามวีมุตตานุตริยะความพ้นอันยอดเยี่ยมแปลการแรกขอยท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายมาทำมาทําความเข้าใจกับคําว่าอนุตริยะเสียก่อนคําว่าอนุตริยะนี้แปลว่าคุณธรรมที่ดี ยิ่งหรือว่าคุณธรรมอันยอดเยี่ยมนั่นเองคุณธรรมอันยอดเยี่ยมในที่นี้ก็มีสามอย่างเทินหนึ่งทัศนานุตริยะไม่เห็นไม่แก่ความหมายความว่ามีความเห็นอย่างยอดเยี่ยมนะอันนี้หมายถึงว่าการเห็นทำด้วยฌานนะการเห็นทำด้วยฌานอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจ ความตรีตรองของตนอดังพุทธภาษิตว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมนี่อย่างนี้เรียกว่าทัศนานุตรยะคือหมายถึงว่าการที่เราเห็นธรรมเนี่ยถือว่าเห็นในสิ่งที่ประเสริฐเห็นในสิ่งที่ยอดเยี่ยม และสิ่งเราจะเห็นได้ก็ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาเห็นได้ด้วยญาณญาณก็คือตัวปัญญาตัวความรู้นั่นเองเมื่อเราเห็นธรรมก็เท่ากับว่าเราเห็นตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นพระพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าเราเห็นธรรมแต่เราต้องเห็นด้วยตาปัญญาไม่ได้เห็นด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อคือตาเนื้อเรียกว่าเป็นความเห็นอันเป็นตัวทัศนะทางใจ เรียกว่าทัศนานุตริยะอันการเห็นของแปลกๆมีช้างแก้วม้ากแก้วเป็นต้นไม่ใช่เป็นความเห็นอันแท้จริงในที่นี้เพราะเห็นแล้วไม่ทำให้หลุดพ้นได้กล่าวได้เพียงกายทัศนะคื อ, อเห็นด้วยมังสะจักษุเท่านั้นไม่ใช่ความเห็นอันเป็นตัวทัศน์ทางใจนี่เป็นเรื่องของอเรื่องของทัศนานุตริยะ หรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าคือคือความเห็นอันยอดเยี่ยมนี้หมายถึงว่าต้องเห็นประกอบด้วยธรรมนะต้องเห็นประกอบด้วยธรรมพูดอย่างชาวบ้านของเราให้เติ้เติ้ลลงมาก็คือว่าให้เราเห็นเห็นด้วยปัญญาคือก็คือว่าเห็นรูปอก็ให้รู้จักรูปน ะ, ะรู้จักรูปว่ารูปนั้นก็สัตแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังก็คือว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่ใช่ตัดบุนคคลตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยัง่งยืนอย่างนี้เ่าเรียกว่าการเห็นอย่างยอดเยี่ยมนะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าเกิดว่าเราเห็นได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้โสดาบันนี่ก็ถือว่าเห็นอย่างยอดเยี่ยมได้กากาทาคามีก็เห็นอย่างยอดเยี่ยมได้พระ อนาคามีก็เห็นอย่างยอดเยี่ยมจนถึงที่สุดก็คือพระอรหันต์ได้เห็นสังขารทิฏฐนาเห็นเป็นใจลัคนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอย่างนี้ถือว่าการเห็นอย่างยอดเยี่ยมความคิดเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นมิ่งมงคลเป็นสิริมงคลแก่เราทำให้เราเกิดสติปัญญาทำให้เราเกิดความรู้เกิดความสามารถเกิดความฉลาดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าการเห็นพูดง่าย อ่าอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้บางทีก็คือเห็นพระนี่ก็มันก็ถือว่าเห็นในสิ่งที่ประเสริฐอันเหมือนกันนะได้เห็นพระอ่าสมานานันจทัตสนังเอตมังคลามุตตมังเรียกว่าการเห็นอผู้สงบผู้สงบส ง, งียมผู้สงัดกายสงัดวาจาสงัดจากทิเดศก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะนะเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วฉะนั้นเราเห็นในสิ่งที่ดีที่งามนะอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นมงคล คือเห็นพระราชาเห็นมหากษัตริย์นี่รู้สึกว่ามันเป็นมงคลนึกเกินปลื้มหรือเกินคนบางคนก็แหมอยู่ในที่สันดารไม่เคยพบพระเลยพบพระสององค์เนนกราบแล้วกราบอีกน่าดีใจก็ถือว่าเป็นมงคลกับเขาบางคนก็ไม่เคยเห็นในหลวงไม่เคยเห็นพระราจินีหรือสมเด็จประเทพหรือเจ้าฟ้าชายพระลูก เธอโรกยาเธอต่างๆนี้ไม่เคยเห็นเพเห็นแล้วก็กราฟโอ้โหรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องโลกโลกมองเห็นนะก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความสุขกายเป็นความสบายใจดังนั้นสังเกตดูเวลาพระองค์จะเสด็จไปประทับที่ไหนนี้ตัวพวกเราก็แห่แหนแวดล้อมกันไปเยอยแย่งกันไปดูกันนะก็เพราะว่าเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยิ่งใหญ่อีกด้วยประการที่สอง ก็คือปฏิปธานุตริย ะ, ะความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมได้แก่การปฏิบัติธรรมที่ได้เห็นแล้วทั้งในส่วนะปะหารและในส่วนภาวนาถ้าเป็นส่วนชั่วเห็นว่าให้ผลเป็นทุกข์ก็ละเสียถ้าเป็นส่วนดีอเห็นว่าให้ผลเป็นสุขก็ปฏิบัติให้เจริญขึ้นการปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนปะหานะและภาวนาเช่นนี้เรียกว่าปฏิปธานุตริยะ ถ้าเราจะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นธรรมที่เห็นธรรมเรียกว่าทัศนานุตรยะแล้วเราก็มานําเอาธรรมที่เราเห็นนั้นมาประพฤติปฏิบัตินะมาประพฤ ต, ติปฏิบัติปฏิบัติตามที่เราเห็นเห็นว่าเราทําดีต้องในดีเราทําชั่วต้องในชั่วฉะนั้นเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติอทั้งในส่วนประหารครําว่าประหารนี่ก็หมายถึงในส่วนที่ละ อในส่วนที่ละอมาปฏิบัติเพื่อจะละความโลภความโกรธความหลงเพื่อจะละราคะโทสะโมหะเนี่ยในในส่วนละแล้วในส่วนภาวนาก็คือส่วนที่ทําให้เจริญขึ้นก็ได้แก่พยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญสมาธิเจริญสมถะเจริญวิปัชนาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราทําทั้งในส่วนละแล้วก็ในส่วนสร้างให้เกิดขึ้นในส่วนสร้างให้เกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนก็จง ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมประเทศชาติข้อที่สามมิมุตานุตริยะได้แก่การพ้นาการพ้นจากกิเลสอย่างเด็ดขาดอย่างยอดเยี่ยมทำกิเลสทำกิเลสสาสวะให้สิ้นไปเป็นอกุ ป, ปาธรรมคื อ, อเป็นธรรมที่ไม่กลับกำเริอบอีกเป็นวิมุตคือความหลุดพ้นของพระอรหันต์ฉะนั้นาการที่ เราได้หลุดพ้นจากกิเลสกัณหาจากราคะโทสะทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้ไม่กลับมากริบอีกอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นปฏิปท า, อาของพระอรหันต์หรือเป็นวิมุตของพระอรหันต์ฉะนั้นอนุตริยะทั้งสามประการนี้ย่อมเนื่องถึงกันโดยลำดับคือความเห็นธรรมด้วยญานย่อมนำให้ปฏิบัติถูกทางเมื่อปฏิบัติตามย่อมได้รับผลแห่งความปฏิบัติ อันเป็นส่วนแห่งวิมุตต์ลดพ้นจากกิเลสสาวะเป็นอกุ ป, ปาธรรมคือเป็นธรรมที่ไม่กลับไปกำเริบ อ, อีกทีนี้ธายะตั้งปัญหาถามว่าท่านผู้บากบันในอันกำจัดกิเลสและสังโยชนเพื่อผลอันสุดคือพระเพื่อผลอันสูงสุดคือพระอรหันต์จะจัดเข้าในอนุตยะกอใดได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เราตอบได้ทันทีเลยว่า จัดเข้าในปฏิปทานุตเตยะเพราะการบากบันพยายามในอันที่จะกรรมจัดกิเลสและสังโย ธ, ธรรมนั้นเข้าลักษณะแห่งสัมมาปฏิบัติจัดเป็นส่วนประานะหรือมักคะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติอย่างสูงซึ่งพระเอกราาทุกทุกองได้ดำเนินไปแล้วหรือว่าถ้าจะถามว่าความพ้นจากกิเลสเป็นอกุปปาธรรมนั้นได้ช่อว่าอย่างไรบ้างเพราะเหตุไร อันนี้ก็ได้บอกกับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังไว้แล้วว่าคําว่าอากุปปาธรรมนี้แปลว่าเป็นธรรมที่ไม่กลับไปกำเริบคือหมายถึงว่ า, ร, ว ร, ารู้แล้วก็เป็นรู้นะรู้แล้วก็เป็นรู้เรียกว่าสามารถที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาได้ไม่เฉพาพ้นแล้วก็กลับมาไม่พ้นนะไม่พ้นแล้วคือหมายถึงดับสนิทจริงๆดับหมดจริงๆอย่างนี้แหละเอเรียกว่าเป็นอกุปปาธรรม ดันั้นเราก็ตอบได้เลยได้เลยว่าไอความพ้นจากกิเลสเป็นอกุปธรรมนั้นโดยชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้างเพราะเหตุหนรเราก็ตอบเลยว่าโดยชื่อก็เรียกว่าพระนิพพานบ้างเพราะหากิเลสเครื่องเสียดแทงมีได้บ้างเรียกว่าวิมุตตานุติยะบ้างเพราะเป็นปัจจัยพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงบ้างสัรพกิเลสที่พ้นแล้วไม่สามารถกำเลิกได้อีกเรียกว่าวิมุตติความพ้นจากกิเลส โดยหาในมิตและที่ตั้งมิได้ดังนี้และถ้าจะถามว่าจงแสดงอนุตริยะสามโดยความเป็นเหตุและผละต่างกันและกันอันนี้เราก็ตอบไ ด, ได้ทันทีว่าความเห็นธรรมด้วยฌานจัดเป็นทัศนะอย่างเยี่ยมเป็นเหตุให้ปฏิบัติอันเยี่ยมทั้งในส่วนปหาณะและในส่วนภาวนาเมื่อปฏิบัติถึงที่ เมื่อปฏิบัติถึงที่ก็จะค้นจากกิเลสอาสวะได้เป็นอกุปาธรรมและปฏิปทานานั้นจิตก็ย่อมหลุดพ้นเพราะปฏิบัติถึงที่ก็เพราะรู้ด้วยฌานนั่นเองแต่ถ้าคนใด ย, ยังไม่ถึงขั้นนะยังไม่ถึงขั้นก็ก็เรียกว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงที่นะยังปฏิบัติไม่ถึงที่ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงมาปฏิบัติตามอ่าน มาปฏิบัต isions, ิตามอนุตริยะทั้งสามก็คือหนึ่งทัศนานุตริยะคือความเห็นอย่างยอดเยี่ยมสอง 2. ปฏิประธานุตริยะคือความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมสามมิมุ ต, ตานุตริยะก็คือความพ้นอันยอดเยี่ยมทัศนานุตริยะเห็นอันยอดเยี่ยมก็ได้แก่ตัวเห็นธรรมโยธรรมังปัจติโสมังปัจจติโสธรรมังปัจจติโยโยมังปัจจติโสธรรมังปัจจติ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจ่วเห็นเราคือตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตอผู้นั้นได้ชจิว่าเห็นธรรมนะยังก็เรื่องวัคกะลิเนี่ยท่านจัดกับวัคกะลลิเพรา ะ, ระว่าวัคกะลลินี่แม้ตั้งแต่โบสถมาก็ติดแต่พระรูปของพระองค์เลยไปทั้งไหนถ้าหากว่ามาได้ดูรูปพระองค์แล้วรู้สึกว่ามันกระวนกระวายกินข้าวไม่ได้นะมันเหมือนกับอรู้สึกว่าอะไรอะไรมันมาขัดขวางไปหมดนะไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมไม่เป็นอันศึกษาเล่าเรียน ผลที่สุดพระองค์ก็เลยต้องอเภหยคือขับไล่ออกไปบอกว่ากะลิเธอจงออกไปนะว่ากะลิพอถูกพระพุทธองค์ไล่ไปยังนั้นก็เกิดความเสียใจฮะเสียใจจะเปรียบเหมือนกับชายหนุ่มที่ไปขอความรักกับหญิงสาวเมื่อถูกหญิงสาวปฏิเสธเขาก็รู้สึกว่าเสียใจอาจจะต้องกินยาตายก็ได้หรือต้องไปกระโดดอให้รถพับก็ได้อโดยเหตุประการต่างๆนี่เกิดความเสียใจพราว่ากะลิเหมือนกัน เมื่อพระพุทธองค์เห็นว่าถ้าหากกระคืนปล่อยให้วัคคะลิได้เฝ้าแต่มองดูอยู่อย่างนี้ก็เห็นท่าจะไม่สาเร็จมรรคผลนิพพานแน่ยากขนาดนั้นเลยเราจะต้องหาวิธีการก็ด้วยการ เ, าเรียกว่าอัปเปหิก็คือขับไล่ให้พระวัคคะลิออกไปวัคคะลิเมื่อถูกไล่ก็เสียใจก็คิดจะไปกระโดด เ, เหี่ยวตายก็พอดี พระพุทธองค์ก็รอให้บารมีแก่กล้าพอถึงวันที่วัคคาริจะไปประโตเถรก็ไปปรากฏประทับยืนอยู่ข้างหน้ามาดูก่อนวัคกะลิว่างั้นเถอะนะเอะจนกระทั่งพูดปลอบใจจนพระวัคคารินั้นมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์จึงจัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราคือตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมพระวัคการิก็เลยคิดว่าเอ๊ะว่าธรำกับตถาคตนี่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่มันคนละอย่าง ก็จึงทําให้ชวนในการค้นคว้าชวนแก่การศึกษาเล่าเรียนเมื่อปฏิบัติไปอิดก็เลยหลุดพ้นขึ้นอันนี้แหละเรียกว่านอกจากจะเป็นทัศนานุตริยะและก็เป็นปฏิบัตานุตริยะและก็เป็นวิมุตตานุตริยะด้วยเอาละการบรรยายเรื่องอธิปไตยกับอนุตริยะมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร